จดหมายที่เขียนในขณะจิตก่อนตายผมมีเอกสารชิ้นเล็กๆอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นจดหมายของคนข่าตัวตายเขาเขียนเสร็จแล้วก็ตายพอดีจึงขอเสนอเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งในจดหมายนี้คือคนเจ้าของจดหมายกลับมาเล่าให้ผมฟังด้วยตนเอง เขาบอกให้ทราบรายละเอียดทุกอย่างในการฆ่าตัวตายเชิญอ่านข้อความและพิจารณาผลงานที่คนๆหนึ่งทำขึ้นก่อนที่เขาจะตายไม่ถึงหนึ่งวินาทีโดยเขาเองก็รู้ตัวเขาเป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะเล่าเรื่องให้ผมฟังทุกอย่างตามที่ผมต้องการเพราะเป็นคนใกล้ชิด และผมเองเป็นผู้นำตัวเขาไปส่งโรงพยาบาลสำหรับสาเหตุที่จะทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวเองนั้นผมขอสงวนไว้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหลังจากเขาได้พักผ่อนตอนหลังจากฟืน้นสักสิบสองชั่วโมงเศษผมได้สนทนากับเขาตัวต่อตัวโดยบอกเขาตรงๆว่าผมกำลังค้นคว้าอาการทางจิต อยากทราบความรู้สึกที่แท้จริงตอนจะตายเพื่อใช้เป็นความรู้ในทางธรรมะเสร็จแล้วจึงบันทึกไว้ในรูปรูปใต้คลิปสนทนากันดังต่อไปนี้ตอนบันทึกการคุยกับคนตายผมเธอตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะตายเมื่อไหร่ เมื่อบ่ายสามโมงเศวณิเขาหมายถึงวันที่เขาฆ่าตัวเองตัดสินใจที่ไหนที่ห้องนอนหรือที่อาบน้ําหรือตรงไหนผมซักตรงข้างถนนไปท่าน้ําตรงข้ามกับประตู ว, วัดเขาหมายถึงถนนจากบ้านของเขาลงไปท่าน้ําซึ่งที่นั่นมีวัดและร้านค้าอยู่ แล้วยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรอีกคิดอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรมันจึงจะตายเขาว่าแล้วยังไงต่อไปเล่าไปเลยก็คิดขึ้นได้ว่าต้องกินยาแอสโพรแล้วก็เดินเลยไปซื้อแอสโพรอย่างกล่องเล็กได้ก้ากล่องเขาว่านึกยังไงจึงซื้อเท่านั้น มันหมดครับทางร้านบังเอิญมีเท่านั้นถ้ามีอีกก็จะซื้ออีกซื้ อ, อยาแอสโปรแล้วความรู้สึกเป็นยังไงอยากรีบกลับมากินให้ตายเร็วๆแต่นึกอีกทีกลัวใจจะไม่กล้าจึงซื้อเหล้าแม่โขงกินเข้าไปอีกครึ่งขวดเขากินที่ไหนกับใคร กินคนเดียวที่ร้านนั่นเองแม่ของครึ่งขวดต่อโซดากี่ขวดข้าพเจ้าเพียวๆ เ, เลยครับเมาไหมไม่รู้สึกเมาครับเฉยๆเขาตอบหน้าตายแล้วทำยังไงต่อไปเล่าไปเลยผมรีบกลับบ้านพักในใจรู้สึกว่าดีใจอย่างบอกไม่ถูก ที่ซื้อยาได้สมใจกลั้งกลับมาถึงห้องพักเกิดความรู้สึกว่าแอสโพรมันน้อยไปกลัวจะไม่ตายเลยวานเด็กข้างบ้านไปหาซื้อให้อีกแกลงบอกเขาว่าปวดหัวมากให้รีบไปรีบมาเขาซื้อมาให้อีกสองกล่องรวมเป็น11กล่องเขาว่าได้มาแล้วคิดอย่างไรต่อไป ข้าพเจ้าคิดว่ายาน้อยไปจึงขอยืมมีดโกนคนที่อยู่ข้างห้องติดกันก็บังเอิญเขาหาไม่พบคิดว่าจะเอามาเตรียมไว้ถ้ากินยาไม่ตายก็จะใช้มีดช่วยเขานึกหวาดเสียวไหมข้าพเจ้าถามไม่นึกเลยครับไม่คิดจริงๆ หนักใจแต่ว่าจะทำยังไงมันจึงจะตายจริงๆเท่านั้นตอนหนึ่งคิดแวบขึ้นมาเหมือนกันว่าเราควรจะไปกินที่อื่นเพราะกินอยู่ที่นี่เดี๋ยวอาจจะมีคนมาช่วยจะทำให้ไม่ได้ตายสมประสงค์แล้วเธอจะทำอย่างไรต่อไปข้าพเจ้าถามเสร็จแล้วก็เอาเงินที่เหลืออยู่แจกพวกเด็กๆลูกคนข้างบ้าน ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานกันบอกกับเด็กว่ายังไงบอกว่าน้าจะไปแล้วนะเท่านั้นเองเขาแล้วยังไงต่อไปข้าพเจ้าซักด้วยความกระหายอยากรู้เสร็จแล้วก็เข้าห้องนอนปิดประตูแล้วนั่งกินยาแอสโพรจนหมด11ห่อนั่งกินหรือยืนกิน หรือนอนกินนั่งขัดสมาธิครับแล้ววิธีกินทํำยังไงฉี ก, กล่องยาออกเอาเม็ดยามารวมกันไว้ทั้งหมดก่อนแล้วก็แบ่งครึ่งเอาครึ่งหนึ่งใส่ฝ่ามือแล้วกรอกเข้าปากหมดเคี้ยวๆแล้วกลืนน้ําตามเสร็จแล้วกินอีกครึ่งหนึ่งทําเหมือนกันกินยากไหมเปรี้ยวมากไหม ข้าพเจ้าโอ้ยไม่ยากครับทั้งหวานทั้งมันอร่อยมากกินแล้วรู้สึกดีอกดีใจจริงๆทำยังไงต่อไปข้าพเจ้าซาักเพื่อจะเข้าไปสู่จุดที่หมายเสร็จแล้วก็ดูนาฬิกาข้อมืออยากรู้ว่ากี่นาทีจึงจะตายและคิดจะเขียนจดหมายบอกคนอื่น จึงเปิดประตูออกไปยืมปากกาของคนรู้จักกันที่บังเอิญเดินผ่านหน้าห้องแล้วกลับเข้าห้องปิดประตูเขียนจดหมายในวงเล็บที่ตีพิมพ์ไว้ด้วยแล้วเขียนยังไม่จบรู้สึกว่าตาลายจึงหยุดทันทีนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าดีใจมากเป็นพิเศษที่ทำงานได้ผล ดูนาฬิกาจำได้ว่าเป็นเวลาหนาทีนับจากเวลากินยาแล้วขณะกำลังดูนาฬิกาอยู่นั้นตาดับมืดลงเฉยๆมองไม่เห็นนาฬิกาเลยจึงล้มตัวลงนอนกับพื้นเขาเล่าอย่างละเอียดแล้วต่อไปยังไงฉันกำลังอยากฟังต่อไปก็เป็นเรื่องฝันๆครับ เขาเรื่องฝันเอาไว้ก่อนฉันอยากรู้ว่าพอตายปั๊บลงมันมีความทุกข์ในจิตใจอย่างไรบ้างขบ a j เจาจะจี้เอาจุดที่สำคัญนี้จำได้ว่าไม่มีอะไรเลยครับพอตามื่ก็ล้มตัวลงนอนแล้วฝันต่อเลยผมฝันไปว่าขึ้นรถรางจากสังฮีไปเทเวท ตามที่ฝันนั้นว่ารู้สึกหิวข้าวจะไปหาซื้อข้าวกินแต่ตามทางที่ไปไม่เห็นมีผู้คนเลยเงียบกันไปหมดรถรางก็ไม่มีคนขับแล่นไปเองพอไปถึงเทเวศก็ไม่มีคนสักคนเดียวพอไปถึงเทเวศแล้วรู้สึกตัวว่าเกิดความมืดขึ้นคล้ายๆไฟดับอย่างนั้นแหละครับมันมืดพลึบขึ้นเลย ต่อจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกจำอะไรไม่ได้ตื่นขึ้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลยเขาเล่าอย่างไม่มีความลังเลใดๆถามอีกทีเธอให้เธอทบทวนความจำอีกครั้งอยากรู้ว่ามีความทุกข์อกทุกใจอย่างไรบ้างในเวลาที่จิตจะดับผมถามโดยอยากรู้ว่ามารณะทุก มันอยู่จุดไหนแน่ไม่มีอะไรครับแม้แต่นิดเดียวเขายืนยันเด็ดขาดจบบันทึกผลที่สุดบุคคลผู้นี้นอกจากจะไม่ให้ความสว่างอะไรแก่ผมเพิ่มขึ้นแล้วยังเพิ่มความมืดมนแก่ผมขึ้นอีกมากผมอยากรู้ว่าความตายมันทุกตรงไหน ทุกอย่างไรแต่เรื่องกลับลงเอ่ยว่าไม่มีความทุกข์อะไรเลยแถมคนที่โดนมาแล้วยังรู้สึกดีอกดีใจด้วยซ้ำที่ตัวได้ตายขอโทษเถอในายคนนี้ทำให้ผมรู้สึกตัวว่าตัวเองโง่ลงไปอีกถนัดแทนที่เขาจะทำให้ทางศึกษาค้นคว้าของผมสั้นเขา่าเพราะพบตัวกาแล้ว แต่กลับยืดระยะทางออกไปอีกจนมองไม่เห็นที่หมายปลายทางยิ่งย้อนไปดูจดหมายลาตายของเขาก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อความตอนใดคำใดที่แสดงว่าเป็นคำของคนมีทุกข์เป็นการลาอย่างธรรมดาไม่มีอรอยเห็นความโกรธหรือความน้อยใจแฝงอยู่เลยแถมยังให้พรแก่ผู้อยู่เสียอีกด้วยตัวหนังสือบางตัวที่ไม่ชัด เขายังอุตส่าห์เขียนทับซ้ำเพื่อให้อ่านง่ายซึ่งเป็นความหวังดีต่อผู้อยู่ส่วนหนังสือตอนปลายบรรทัดที่เบากว่าตอนต้นบรรทัดนั่นเป็นเรื่องของประสาทที่เริ่มเสื่อมสมรรถ ภ, ภาพเนื่องจากริยาแต่หนังสือทุกตัวอ่านได้ชัดไม่หวัดสำหรับมายามกที่ใช้มากเกินไปนั้นเข้าใจว่าเนื่องจากห่วงคิดที่ขาดเป็นตอนๆน ก่อนจิตเข้าผวังรวมความแล้วข้อความและอักษรในจดหมายนี้ไม่แสดงร่องรอยที่ว่าผู้เขียนกำลังได้รับความทุกข์อะไรนักหนาขนาดรู้ตัวว่าจะตายในไม่กี่นาทีข้างหน้ายังทำงานได้อย่างนี้แสดงว่าเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ได้ทำให้เขาทุกอกทุกใจจนเกินไปเลยที่นามาเล่านี้ ไม่ใช่โฆษณาให้ท่านผู้ฟังเกิดนิยมฆ่าตัวตายยาเถอะนะและไม่ใช่เล่าเพื่อคัดค้างหรือลบล้างพระพุทธวจนะก็หาไม่แต่เล่าเพื่อการศึกษาพระพุทธวจนะให้เข้าใจแจ่มแจ้งเท่านั้นส่วนที่ว่าเมื่อได้ทดลองค้นคว้าแล้วยังไม่ได้ผลนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะหาทางคืบหน้าต่อไป ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจความจริงในใจของผมแล้วว่าขณะนี้เองผมยังแก้ปัญหาไม่ตกและก็มีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะได้รับคำแนะนำจากท่านผู้รู้และสงสารผมเดี๋ยวนี้ผมกำลังทุกข์ทุ ก, ท, กที่ไม่รู้ว่าความตายมันทุกตรงไหนที่ว่ามรณะทุก์ตามพระพุทธวจานะนั้นคือทุกอย่างไรแน่ ขณะนี้ผมเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าความตายเป็นทุกข์และทุกข์แก่ผู้ตายนั่นเองแต่ยอมรับว่าผมยังศึกษาไม่ถึงเท่านั้นตอนมรณะทุกข์ที่ข้าพเจ้าเห็นเมื่อไม่ได้จากคนอื่นก็ลองย้อนมาหาที่ตัวตามความรู้สึกส่วนตัวของผมที่เป็นอยู่ขณะนี้ผมเห็นว่า ที่ว่าตายเป็นทุกข์นั้นมันทุกตรงที่ว่าเราต้องจำใจตายคือใจจริงๆเรายังไม่อยากตายแต่ทีนี้ตัวเราเกิดจะตายขึ้นมาทั้งๆที่ยังไม่อยากตายเราต้องจำใจตายนี่มันทุกตรงนี้ทุกแน่ๆทุกตรงที่ถูกบังคับให้ตายนี่แหละเด็กกลัวหมอฉีดยาแต่ถูกผู้ใหญ่บังคับให้ฉีดจับมือจับเท้าไว้ ต้องจำใจฉีดการที่ต้องจำใจทมนั่นแหละใครๆก็ไม่อยากตายแต่เมื่อความตายมันจะให้เราตายจริงๆก็ต้องจำใจตายมันทุกตรงนี้แหละขัดใจเหลือเกินโทษยังไม่อยากตายสักนิดบาบังคับให้กันตายได้ทีนี้คนที่อยากตายด้วยใจสมัคร ถึงกับต้องหาทางฆ่าตัวตายละ่ะทุกข์หรือไม่ทุกข์เพราะเขาไม่ได้จำใจตายเอาละสิชักจะไปเจอปัญหาอันน่าเวียนศีรษะเข้าอีกแล้วผมว่าอีกเหมือนกันว่าคนฆ่าตัวตายนั้นทุกข์มากกว่าคนตายเองเสียด้วยซ้ำทุกจนต้องฆ่าตัวตายนั่นแหละที่ฆ่าตัวเองนั้น ความจริงที่เป็นเนื้อแท้ของความคิดก็คงไม่อยากตายแต่ทีนี้เห็นว่าโลกนี้มันโหดร้ายเหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุกข์จนทนไม่ได้แล้วก็เลยต้องแข็งใจตายไปอย่างนั้นเองจะว่าไม่ทุกข์อย่างไรสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเดินอยู่ในป่าแล้วถูกเสือไล่มันจะตะครุกินเป็นอาหาร คนคนนั้นก็ออกวิ่งอย่างสุดแรงเกิดเสือก็ไล่กวดไม่ลดละครั้นวิ่งไปวิ่งไปถึงริมแม่น้ำมีต้นไม้ใหญ่จึงปีนขึ้นต้นไม้วังจะหนีเสือแต่ครันขึ้นไปบนต้นไม้เกิดไปเจอเอางูใหญ่งูก็ชูหัวขึ้นมันแลบลิ้นแผลบเตรียมจะเล่นงานในคนนั้นก็รู้สึกหมดที่พึ่ง จะทำยังไงจะทำยังไงครั้นมองลงไปเห็นแม่น้ำใหญ่มีจระเข้อ้าปากอยู่แล้วแต่เพราะค่าที่เป็นคนหมดขนทางพื้นดินก็เสือบนต้นไม้ก็งูเหลืออยู่ทางเดียวคือทางน้ำแก้จึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำและถูกจระเข้กัดกินเสียอย่างนี้เราจะว่านายคนนี้ แกมีความภูมิใจที่ได้ให้จระเข้กินอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่าเลยมันเป็นความจำใจที่ต้องทําไปอย่างนั้นคนฆ่าตัวตายก็เหมือนกันเขาถูกความทุกข์ไล่ต้อนอยู่ในโลกอย่างไม่ปราณีความจนเล่นงานคู่รักเป็นอื่นกฎหมายจะเอาโทษพ่อแม่รุมกันดุเขามองดูโลกเห็นแต่ความทุกข์ ดักอยู่ทั่วพื้นปฐพีเลยคิดจะหนีโลกหนีชีวิตเมื่อหนีชีวิตจะไปไหนล่ะก็ต้องไปหาความตายเพราะมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคนเรานั้นสำคัญที่ใจเมื่อตัดสินใจหนีจากโลกนี้แล้วและถูกมารสมเล่นงานอย่างหนักประสาทก็วิปริตไปใจก็ถูกโมหะครอบงำให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นทุกเป็นสุขเหมือนคนที่กลุ้มใจมากจนหัวเราะออกมานั่นแหละตามตัวอย่างคนฆ่าตัวตายที่ผมคุยกันมาแล้วนั้นผู้ฟังคงจะจาได้ว่าเขามีอาการดับพุบขึ้นในจิตสองครั้งคือครั้งแรกดับแล้วฝันว่าขึ้นรถรางไปเทเวศเสร็จแล้วครั้งที่สองไปดับลุ๊บที่เทเวศ แล้วจำอะไรไม่ได้เลยปรากฏการทางจิตนี้เข้าใจว่าอย่างนี้ดับครั้งแรกจิตตัดอารมณ์เข้าพวังความฝันเป็นภาพในพวังดับครั้งหลังทุกจนจำไม่ได้ผมเกือบลืมบอกว่านายคนทำอั ต, ตวินิบาตนั้นกระทำในเวลาก่อนรับประทานอาหาร มีความนึกคิดในเรื่องอาหารอยู่แล้วเรื่องจริงคือก่อนแกกินยามีเพื่อนสองคนมาชวนไปกินข้าวที่ร้านเทเวศแล้วภาพในพวังคือฝันก็เลยเกี่ยวกับอาหารการกินท่านผู้สนใจโปรดดูหนังสือปาทกถาเรื่องจิตของผมตอนว่าด้วยพวังและความฝันจะได้ความชัดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องภาพที่ปรากฏ พูดถึงเรื่องฆ่าตัวตายผมขอแถมอีกนิดว่าการฆ่าตัวตายเพราะเหตุปิดหวังต่างๆอย่างที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์บ่อยๆนั้นวินยูชนย่อมไม่กระทำเด็ดขาดมีอย่างที่ไหนเขาไม่รักนี้ไปรักคนอื่นแล้วเราฆ่าตัวตายโธ่มันไม่สมกันเลยพลาดรักแล้วตายตายแล้วเขากลับมารักเราเมื่อไหร่ ทำไมจึงเอาความตายมาประท้วงรักน่าจะคิดให้ดีที่ถูกเมื่อเขาหนีไปรักคนอื่นเราน่าจะทำตัวเรานี่แหละให้มันน่ารักหายาดีๆมากินให้อ้วนพีมีน้ามีนวลให้น่ารักมากๆให้คู่รักเก่าเห็นเข้าแล้วเสียใจตัวเองที่ทิ้งไปผิดให้เขาตรอมใจตายไม่ใช่เราเป็นฝ่ายตายเพราะฉะนั้น ถ้าใครนึกว่าจะทำบ้างก็ควรจะคิดให้รอบคอบหรือจะมาฟังผมแสดงปาฏกถากลวิธีแก้ทุกข์ดูก่อนก็ได้สักสองสาครั้งถ้ามันไม่หายแล้วจะตายจริงๆก็แล้วแต่